ปิยทัศสีพุทโวงว่าด้วยพระประวัติของพระปิยทัศสีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะได้มีพระสยามภูพระนามว่าปิยทัศสีทรงเป็นผู้นำสั์โลกหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากไม่มีผู้เสมอเหมือนมีพระยศยิ่งใหญ่แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มียศอันนับไม่ได้ทรงรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์ ทรงขจัดความมือทั้งปวงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบานมีการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์จำนวนแสนโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งเท้าสุทัศนะเทวราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาเมื่อจะทรงบรรเทามิจฉาทิฐิของเท้าเทวราชนั้นจึงทรงแสดงธรรม ครั้งนั้นมหาชนได้มาประชุมกันมากมายประมาณไม่ได้เทวดาและมนุษย์ประมาณเ0้าันโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชนทรงฝึกช้างโทนมุกเทวดาและมนุษย์ประมาณ8ปดหมืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามแม้พระปิยทัศนีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีการประชุมสาวกสามครั้ง พระจาวกประมาณหนึ่งแสนโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพระมุนีขีณาศพประมาณเก้าสิบโกรธมาประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่สามมีพระมุนีขีณาศพประมาณแปดสิบโกรธสมัยนั้นเราเป็นมานกมีชื่อว่ากัะสปะเป็นผู้คงแครเรียนทรงจำมนจบไตรเพศเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใส ได้บริจาคทรัพย์หนึ่งแสนโกรสร้างสังฆารามครั้นถวายอารามแก่พระองค์แล้วร่าเริงตื้นตันใจได้จะมาทานสรณคมและเบญจสินให้มั่นคงแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสงรงพยากรเราว่าในหนึ่งร้สบปดกับมานกนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้จะเด็ดออกจากกรุงรเบลพั์ที่น่ารื่นรม พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกรกรมยาจะประทับนั่งโคนต้นอจชะปาราณิโครธทรงรับข้าวปลายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระจินเจ้าพระองค์นั้นจะสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่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 จากเป็นพระอ克拉สาวกพระเทระนามว่าอานน์จากเป็นพระอุปถากบํารุงพระชินเจ้าพระองค์นั้นพระเขมาเทรีและพระอุบลวรรนาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสสัตตพลก จิตตากามพดีอุบาสกและหัตถะขามพดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจกเป็น อ, อัครอปปถานันทมานดาวอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็น อ, อัครอปปถายิกาพระโกดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดารัดนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่แล้ว ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธางโกนสัตว์ทั้งหลายในมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปลี่ยงเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมสัส ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจกพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทธางโกนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาท่าเฉพาะหน้าแล้ว ก็ยืดเอาท่าถัดไปจึงพราแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระพระชินดเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบา ร, รมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าสุทัญญาประศัพย์พระนามว่าสุทัตตา เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุจันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปิยทศีพระองค์ทรงครองกราวาดอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุนิมละประสาทวิมละประสาทและคิริคูหาประสาทมีนางสนมกำนันสามห0ื่าพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิมาลาพระราชโอรสพระนามว่ากันจนาเวละพระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือรถออกพนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระมหามุนีพระนามว่าปิยธทศีผู้อันพรหมทูลอราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจก ที่พระอุทยานอุสสะพวันน่ารื่นรมย์ใจพระปาลิตะเถระและพระสัพพทศีเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าโสพิตะเป็นพระอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าปิยทศีพระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่าต้นกลุ่มชันทกาอุบาสกและธรรมิกาอุบาสกเป็นอครอุปถากวิจาขาอุบาสิ ก, กาและธรรมทินนาอุบาสิ ก, กาเป็นอครอุปถายิกาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยศนับไม่ถ้วนส่งพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการมีพระวรากายสูงแปดสิบองปรากฏดังต้นพยาม้สาละ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 ทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอ้อพระมุนีผู้ประเสริฐพระนามว่าปิยธทัศีเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานที่อัสสัตถารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นที่อาสสัตถารามนั้นสูงถึงสามโยชนนี้แหละปิยธทีพุทธวงศ์ที่สิบสาจบสิบสี่ อัฐทัตสีพุทธวงว่าด้วยพระประวัติของพระอัฏฐทัสีพุทธเจ้าในมันตะกลับนั้นแหละได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทรงประจัดความมืดใหญ่ออกไปแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงช่วยชาวโลกในหมื่นจั ก, กรวาลพร้อมทั้งเทวดาที่อิ่มนำ้ำด้วยอมตะธรรมสาวกของพระองค์แม้นั้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกเมื่อการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัถทัตสีเสด็จเจ้าเรียกไปในเทวโลกเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่สองต่อมา ในการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในราชสำนักของพระชนกเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้งพระขีณาสพประมาณเก้าหมดพันรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่ง พระขีณาสพประมาณ8ป0 0 0รูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขีณาสพผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นผู้ปราศจากมณฑินผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประมาณ 78,00 หรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นชดินมีชื่อว่าสุสีมะตามโคตมีตบะแก่กล้าประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในแผ่นดิน เรานำดอกมณทารพบดอกปทุมและดอกปาริฉัตกะอันเป็นทิพย์จากเทวโลกมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระมหาหมุนีพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าอัฏทัศสีก็ทรงพยากรเราว่าในหนึ่งร้อยสิบแปดกับเชดินนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัฒน์ที่น่ารื่นรม พระตถาคตทรงเริ่มตั้งควา ม, มเพียรบำเพ็ญทุกขระริยาจากประทับนั่งที่โคต้นอัชะปะาลนิโครธทรงรับข้าปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระธินเจ้าพระองค์นั้นจากสวยข้าปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย้ยิ่งใหญ่ จากทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอสัตถพฤกข์พระมารดาผู้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจกมีพระนามว่าสุโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกริตะเถระและพระอุปติสเถระผู้ไม่มีอาชวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดี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 แลหาทะกะพระบดีอุบาสกชาวเมืองอาลาวีจกเป็นอัครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตรราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายิกาพระโคดมผู้มีพระยะพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณ น, นันยิ่งใหญ่แล้ว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 ก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธทางกู น, นี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื่นตานใจได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบา ร, รมีสิทธิประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าโซภณะประศัตพระนามว่าสาคร เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุทัศนาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัถททศีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่หมื่นปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคืออมารคิประสาทสุรคิประสาทและคิริพาหนาประสาทมีนางสนมกำนันส3 0 0 0ามพัน 33, นาง ล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิจาขาพระราชโอรสพระนามว่าเสละพระทินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือม้าออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าอัถทาศีผู้องค์อากว่านรชนมีพระยดยิ่งใหญ่ ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักที่พระอุทยานอโนมาพระสันตะเทระและพระอุปสันตะเถระเป็นพระอครสาวกพระเทระนามว่าอภัยเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐาศีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระธรรมาเถรีและพระสุธรรมาเถรีเป็นพระอภรสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นจำปานักปุละอุบาสกและนิสพะอุบาสกเป็นอัครอุปถากมักีลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอัครอุปทายิกาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีพระวรากายสูงแปดสิบศอทรงสง่าง า, งามแดงต้นพยาไม้สาละ เหมือนดวงจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระรัศมีหลายร้อยโกตามปกติแผ่ไปตลอดโยชหนึ่งทั่วสิบทิศทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างตลอดเวลาแม้พระพุทธมุนีพระองค์นั้นผู้องค์อาควานอรชนผู้สูงสุดแห่งสัพสัตผู้มีพระจักสุก็ดำรงอยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสปีแม้พระองค์ทรงแสดงพระรัศมีที่ไม่มีสิ่งอื่นเทียมทัน ให้สว่างสวัยรุ่งโรดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วก็ถึงสภาวะไม่เที่ยงสเสด็จดับขันธปรินิพานไปดังไฟสิ้นเชื้อดับไปฉะนั้นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าอัฏทัสสีเสด็จดับขันธปรินิพานที่อนโนมารามพระบรมสารีรืกระทาของพระองค์แผ่ไปยังกว้างขวางในนานาอารยประเทศฉนี้แหละ อัทธาทศีพุทโวงที่สิบสี่จบสิบห้าธรรมทัศศีพุทโวงว่าด้วยพระประวัติของพระธรรมทัศีพุทธเจ้าในมันทกับนั่นแหละได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศี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 ในการที่เท้าสักกะพร้อมทั้งบริษัทเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษเทวดาและมนุษย์ประมาณ8ปสิบโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สามแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพก็มีการประชุมแห่งพระขีณาสกผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งในการที่พระธรรมทัศีพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาที่สรณะนะคร พระขีนาสพประมาณพันโกธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ ut, พระขีนาสพประมาณร้อยโกธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธุดงคุณพระขีนาสพจํานวน80บโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นเท้าสักกะปุรินทะ ได้บูชาด้วยของหอมมาลาและดนตรีทิพย์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท้ำกลางเทวดาก็ทรงพยากรณ์เราว่าในหนึ่งร้อยสิบแปดกับเท้าสักกะปุรินทะนี้จากเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกระเบลพัฒที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกระกริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชชาลนิโครธ ทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระจนเนจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเส ร, ริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่จากทำประทักสินโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอันสตะพฤก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 จากเป็นอระอุปถากนั่นถ้ามารดาอุบาสิกาและขุชุตราอุบาสิกาจากเป็นอ克拉อุปถายิกาพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระรำรัดนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธทางกูล จัตทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงหัวร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจกพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทฏางกูนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพระพระจินณเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่พุทธังโคนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระตดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าสารณะประเสริย์พระนามว่าสารณะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุนันทา เป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าธรรมทัศสีพระองค์ทรงครองกรวาสอยู่แปดพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคืออรชะประสาทวิรชะประสาทและสุทัศนะประสาทมีนางสนมกำนันสี่หมืนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีนามว่าวิกิตโศสีพระราชโอรสพระนามว่าปุญญวัฒนะ พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปพนวดทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าธรรมทัศีผู้องค์อาจก่านนรชนเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักที่มรุกยวันพระปทุมเถระและพระปุษฏเทวเถระ เป็นพระอัครสาวกพระเีระนามว่าสุทัตตะเป็นพระอุปถากของพระศ า, ศาสดานามว่าธรรมทัศสีพระเขมาเทรีและพระสัจนามาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นมะกล่มหลวงสุภาพธาอุบาสกและปฏิจหอุบาสกเป็นอัครอุปถาก สาลิสาอุบาสิกาและกลลิสาอุบาสิกาเป็น อ, อัครออปถายิกาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีพระวรากายสูง8ป ส, สิบศอกทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระเดชในโลกธาตุมีหมื่นจักรวาลพระองค์ทรง ส, งสง่างามดังต้นพยามไม้สาละที่มีดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในท้องฟ้าและเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน แม้พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษสุมีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบทรงดำรงชีวิตอยู่ในโลกหนึ่งแสนปีทวนพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงแสดงพระรัศมีอันสว่างสวยัยทำศาสนาให้ปราศจากมนทินเสด็จดับขันธปรินิพานดังดวงจันทร์บนท้องฟ้าเคลื่อนลับไปพระมหาวีระพระนามว่าธรรมทัศสีเสด็จดับขันธปรินิพานที่เกสาราม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 ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงปรากฏเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยแม้พระองค์ทรงบรรลุสำโพธิยานแล้วทรงช่วยหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นทรงบรรดาลฝนคือทําให้ตกช่วยชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้เย็นสาวกแม่ของพระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้หนึ่งการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งต่อมา ในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงลั่นอมตะเพรีที่พิมารัฐนนครเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นนราผู้สูงสุดทรงแสดงธรรมที่เวภาระบันพจน์เทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สารพระพุทธเจ้เพ า, พ า, พพาพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ ได้มีการประชุมแห่งพระขีนาศพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้งได้มีการประชุมของพระขีนาศพผู้ปราศจากมนทินสามครั้งเหล่านี้คือพระขีนาศประมาณร้อยโกรธหนึ่งครั้งพระขีนาศประมาณเก้าสิบโกรธหนึ่งครั้งพระขีนาศประมาณแปดสิบโกรธหนึ่งครั้งสมัยนั้นเราเป็นดาบทมีชื่อว่ามงคล มีเดชรุ่งเรืองขมได้ยากทั้งประกอบด้วยอภิญญาและพะละเราได้นำผลว่ามาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะพระองค์ทรงรับแล้วได้ตรัสพระดำรันนี้ว่าจงดูชดินดาบทผู้มีตะบะแก่กล้านี้ในกลับที่เกสิบสี่นับจากกลับนี้ไปชดินดาบทนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัที่น่ารื่นรม พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขรกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลันิโครธทรงรับข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปลาญาติที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่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 จิตตาก้าพดีอุบาสกและหัตถกะข้าพดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจะเป็นอครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจะเป็นอครอุปถายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้ว ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพู้ทางกูรสัตว์ทั้งหลายในหมือนจั ก, กรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพราดศาสนาของพระโล ก, กนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอผู้ทางกูรนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว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 เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุพรสสาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่หมื่นปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือโกกาสะประสาทอุปละประสาทและโกกนุตประสาทมีนางสนมกำนันสี่มนดพัน 48, นางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุมนาพระราชโอรสพระนามว่าอนุปมะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงวอทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักร ที่มรดกไทยวันพระสัมภะเถระและพระสุมิตะเทระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าเรวตะเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระศีวลาเถรีและพระสุรามาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกันนิกา สุปิยาอุบาสกและสมุทาอุบาสกเป็นอครอุปถากรัมมาอุบาสิกาและสุรัมมาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงหกสิบศอกทรงงดงามดังทองคําที่ล้าค่ารุ่งเรืองไปทั่วหมื่นจักรวาลแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลเปรียบ ผู้มีพระจักสุข้อดำรงพระชนมายุอยู่ในโลกประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ทรงแสดงพระรัศมีอย่างกว้างขวางทรงทมสาวกทั้งหลายให้เบิกบานทรงเยื้องกรายงดงามด้วยสมาบัติพร้อมทั้งสาวกเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงเป็นมุนีผู้ประเสรศิฐเสด็จดับขันเปรินิพานที่อนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่อนนมารามนั้นสูงถึงสี่โยชนนี้แหละสิทธัตถะพุทธวงศ์ที่สิบหกจบ